อันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นสมมุิบัญญัติแล้วก็พวกเราก็ถือว่าใช้สมมุิบัญญัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะ ามธรรมวินัยพระพุทธองค์เคยทรงบัญญัตไิไว้ไตรตมาสทวนไตรมาส3ามเดือนไตรามารส3ามเดือนนี่เป็นอดีตไปแล้วเราก็ใช้ไตรามาสนี่เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองสามธรรมวินัยตั้งใจอธิษฐานทาความดี เป็นร่องรอยของความดีของผู้ที่ตั้งใจแต่ผู้ใดที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะไม่มีร่องรอยความดีอาจจะตะเปตะปะไปก็เป็นอดีตที่ไม่ค่อยดีอดีตที่ไม่ค่อยดีนี่มันก็จะสนับสนุนเป็นคำเป็นกรมที่สนับสนุนให้ทําความไม่ดีเรื่อยไป อ้าเราเจตนาตั้งใจทำความดีก็เป็นกรรมที่สนับสนุนให้เราทำความดีเรื่อยไปความดีก็เป็นผลเรื่อยไปความชั่วก็เป็นผลเรื่อยไปนั่นเราจึงไม่ประมาทอดีมันก็เป็นปัจจุบันด้วยอดีตมันก็เป็นอนาคต ด, ด้วย ไม่ใช่อดีตเป็นแล้วไปแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นกรรมที่สนับสนุนก็เราจึงอย่าประมาทอย่าประมาทแม้บางทีถ้าเราทำดีบางทีเราทำดีเนี่ยความดีก็สนับสนุนให้เราทำความดีขึ้นโลกขึ้นใจภูมิโอกภคลนใจที่จะกระตือรือล้น ทำความดีเรื่อยไปแต่ความชื่อนก็ทำให้เราอ่อนแอเหนื่อยล้าเป็นคพีงชีวิตที่โลกเป็นชีวิตที่ล่มเหลวเป็นชีวิตที่ไม่มีสิ่งชนะภูมิใจมันจึงแม้ว่ามันจะเป็นอดีตในใตมาสโดย พ, พวกเราที่เป็นชาววัดนักบวช บางที่เราก็ทําอะไรจนสุดฝีมือได้ทำความดีได้ปฏิบัติธรรมได้ทาตามที่เราตั้งใจที่จะทําให้ในการศึกษาที่สุดความสามารถอันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่สนับสนุนหรือบางครั้งเราจะมีความทุกข์ไปสู้กับการกับงานสู้กับความทุกข์ความยากความลําบากกับ ความไม่สะดวกหลายๆอย่างเคยอดเคยทนในความยากความลําบากมันก็เป็นอทําให้เราภูมิใจล่องรอยของความยากลําบากที่เราเคยสู้เคยทนมันทําให้เราภูมิใจไม่เหมือนกับการแพ้ชนะตาไร้ใจในความชั่วสะดวกในการทําความชั่วโลี่นี้ทำความชั่วมันก็ทําให้เราเศร้าหมอง บำบัดเองก็ย่อมเศร้าหมองเองมันเป็นเพียง น, นั้นมันก็เป็นตาเป็นตาชีวิตของเราจึางไม่งสงกราที่จะบมบาดความทุกข์ความยากความลำบากเคยอดเคยทนบางทีมันก็คุ่มเเหมือนกันนะสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาเคยลำบากอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนอนเหมือนกับกบก็มี แค่น้าแค่ผลมันก็มีเหมือนกันไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทานอาหารหนึ่งวันสองวันก็มีเหมือนกันเพราะการทำงานทำการเราไม่ได้ฉันอาหารพอเราไม่ได้ทางานที่เกียดที่ข้านบาทีเราทำงานจนไม่มีเวลากินข้าวอันนี้ก็มีแล้วก็เวลาที่กินก็ไม่ไม่ใช่มันก็หมดเวลาที่เราจะกินไปแล้ว ทำไม่ไหนของเราก็ทำให้เราไมความกมทรหดอดทนไม่ใช่ได้ตามใจทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเราสแสวงหาความตามใจที่เราชอบมันก็ไม่มีอะไรที่ทาให้เราหน้าโูมแต่เราชอบนอนก็ได้ความนอนไป่เราชอบพิจิตรชอบกินเหล้าชอบสุรีชอ บ, ชอบเล่นชอบพูดชอบคุยกันเจรคุยกันมันก็ไม่มีแหละ ไ, ไม่น่าโูมใจกับการใช้ชีวิต อดีตไตม่าท์ของเราที่ผ่านมามันก็เป็นอดีตไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวนี่คือความจริงคือความจริงของชีวิตที่เราเป็นเราใช้ชีวิตอย่างไรอันนี้ก็ได้ผลเรียนมาพอสมควรแล้วเมืเรามองดูชีวิตของเราโดยเฉพาะที่นี่ก็ไม่ได้สอนสอนการ ปฏิบัติการสอนการปฏิบัติต่อเป็นลมลมแรงแรงไปแต่ถ้าเราไม่เรื่องรับมีสิ่งที่จะต้องนำมาฝึกฝนตนเองมันก็ไปกลายเป็นลมเป็นแรงแล้วก็เป็นกอกเป็นกรรมขึ้นมาปีที่เราพ่อเต็มที่เกี่ยวกับพุมเทการ ป, กปูกปาเต็มที่ ทำทุกเสียงทุกอย่างเดียวกับป่าบางทีมันก็กลายเป็นลมลมแรงๆเหมือนกันนะมันอาศัยสิยงแววนรอบไม่ค่อยดีฝ่าฝนไม่ค่อยดีต้มเหลวเหมือนกันแต่นั่นมันไม่ใช่เป็นผลของการกระทําของเราเราทํามางอย่างมันอาศัยวัตถุอันที่หนึ่งที่สองที่สามไปนั่นก็เสี่ยงเป็นการกระทําที่เสี่ยงชาวไร่ชาวนาปีนี้ ข้าวข้าวตั้งท้องตั้งมานมาประสบกับความแห้งแล้งก็เสียหายประเมินแล้วว่าข้า ว, าวไทยปีนี้จะขาดสูญหายไปสี่แสนตันแทนที่จะได้ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นในประเทศตายเป็นศูนย์เสียไปแล้วสี่แสนกว่าตันคนไทยเราจะยากจนลงไปลำบากไป อันนี้ก็เป็นเป็นความเสี่ยงของการกกประกอบอาชีพของชาวไร่ชาวนานี่ก็เป็นส่วนหนึง่งก็เป็นธรรมดาแล้วก็มันหายแต่ข้าวไปใจอยากให้มันหายพอเราปลูกตนน้นไม้แต่ตนน้นไม้มันตายไปเฉพออนนาะต้นไม้เหี่ยวแห้งไปจิใจเราก็อยากเหี่ยวแห้งไปด้วยเอาคืนได้อยู่ สภาพชีวิตจิตใจของเราถึงว่าความผิดเป็นครูความรู้เป็นรู้ดีเป็นจาชั่วดีเป็นตามันก็ยังเป็นบทเรียนเรื่อยไปที น, นี้เราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ผู้ที่ทำใหม่ๆก็เกียนพยายามที่จะยันสร้างความรู้เอ พวกเราที่มีความไม่ค่อยพร้อมไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ในทรัพย์เสียเงินทองก็เพียนพยายามที่จะแตยันหมันเพียนเก็บหอมรอมลิฟต์เหตุนั้นอยู่ตรงนั้นไอ้ใช่สู้รุ่ยสู้ไล่ขี้เกียจที่ข้า น, นแต่คิดแต่นึกฝันหวานแต่ได้อย่างนอนยาแต่นี่เล่นการพานันซื่อหวยซื้อเบอร์อะไรมันก็ลมเหลว ทำอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรโดยจักใช้รู้จักเก็บรู้จักรักษามันยังแก่มีขึ้นมาได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะต้องสร้างฐานะของเราโดยเฉพาะความรู้สึกตัวไม่เสี่ยงเหมือนกับทํามาทําไร่โูกข้าวโูกต้นไม้หลังที่ปีนี้รู้สึกว่าเสียไปแล้ว ได้อีกอย่างหนึ่งชาวนาเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนกับสมัยโบราณขอพูดสักหน่อยาะคนทํานาสมัยทุกวันนี้คันนาไม่ปั้นไม่อืดไม่เปิดไม่รักษาไม่มีรอยจอบขุดปั้นคันนาไม่แต่รอยฐานรถไถ ฐานรถไถถึงไหนก็เอาแล้วพอแล้วแ้วคันาก็ไม่อืดไม่ฟันไม่รักษาไม่สับไม่แต่งไม่แต่งคั้นนาให้รับน้ำได้แล้วก็รักษาน้ำไม่ค่อยเป็นเหมือนกฎโบราณพูดสอนโลกสอนหลานด่ามบกยกไม่ยุ่งขั้นแท้สูงเหลาะไปลาะมาแม่บอกอธอยจงครับ ตอนลลกชายาถาคาถามหาเสน่ห์ถ้าเป็นหนุ่มคนแก่ะจะบอกว่า อ, อมรำบกจกมาย่งด้หลานเด้ขั้นแทอสูงรอไปรอมาพุทสาวหมักขนาดคันนาเนี่ย น, น้ำฝนตกในเก็บได้เป็นสองเดือนนะตั้งปีนี่ชั้งแต่ช่วงสิบหกกันยายนมาเนี่ย ยังไม่ถึงสองเดือนน้ำแห้งหมดแล้วครั่งที่น้ำ ม, มันมาเต็มทุ่งเต็มทา่าเลยแต่ชาวนาเขาไม่รู้จักรักษาน้ำเหมือนพระธรรมเวไนรู้จักไขน้ำเข้าเปิดน้ำออกไขน้ำเข้าคือการปิดพันนาดูเลาะทุกเช้าทุกเย็นดูว่าน้ำมันรั่วตรงไหนเหมือนที่สุกโตเนี่ยเขาเลาะทุกทุกวันเหมือนกันรัว่วตรงไหนก็ต้องเห็นสังเกตดูรู้จัก น้ำ ม, มันลดร่อจากน้ำ ม, มันเต็มร่อจักแต่น้ำ ม, มันเต็มตรงนี้มันตรงรั่วจากตรงนั้นลงมาก็ดูจนเห็นจนเห็นเห็นแล้วก็ปิดไม่ถึงสองเดือนเนี่ยน้ำในอนาเนี่ยแห้งหมดมันเป็นความบกพร่องของคนอาชีพทำนาเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่ตัดจำเลยว่าความแห้งแรงมันอยู่กับผู้ที่ประกอบ อ, อาชีพนี้ด้วย ไม่รู้จักรักษาหน้ามารู้จักปิดไม่รู้จักทําคนาที่กักขังหน้าให้อยู่แต่พ่อนาเนี่ยมันไม่มันไม่ชันมันไม่โดดมันกับที่สูงภูเขาเหมือนบ้านเรามันเสมออยู่มันเป็นหน้ากรองอยู่แต่เขาปล่อยให้มันไหลเที่งไปอยาแกแสสนับสนุนถ้าหลวงพ่อเป็นรัฐบาลไม่ใช่ว่าเรียกร้องผลเทียมเรียกร้องอะไร ของจีมมนชนประธานอย่างโน้อนอย่างนี้อาศัยสอสอไปเแล้วทุกวันนยแม้แต่การทำงานไม่เคยอาศัยตัวเองอแม้แต่ทําถนทนถนทางอาศัยอปต อ, อาศัยอะไรต่างๆไม่ช่วยตัวเองเลยทุกวันเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีสําหรับคนไทยไปเสแล้วแม้แต่ชาวพุทธก็นิสัยไม่ค่อยดีอ้อนว อ, อนขอร้องอย่างโน้นขอร้องอย่างนี้ไม่มีการกระทํา ไม่ได้ละความชั่วไม่ได้ทําความดีไม่ทํากิจให้บริสุทธิ์อาศัยสิ่งอื่นแม้แต่บุญก็จะซื่อจะหาเอาไม่ประกอบหาได้จากกายจากใจกายใจวาจาเราเป็นที่เกิดแห่งบุญแม้แต่สุขภาพหาได้ในกายในใจด้วยไม่ใช่จะไปหาหยกหายายาอันนั่นมาบํารุงยาอันนี้มาบารุงเก็บไข้ได้ป่วยต้องเอายาขนาดนอนต้องอายาขนาดนี้ ลืมกายลืมใจไปมันหาได้ที่กายที่ใจเราด้วยกายใจเราเนี่ยมันก็เป็นโอสถหลวงพ่อพระพอง่าวว่าสักกัตวาพุทธรัตตาหังส ก, กัตวาธรรมลัตตาหังสั ก, กัตวาสังขลัตตาหังโอสถถังโอตมังมลังสัพโกขาสัพะพะปยาสัพพะโลกาหายอาศัยกายอาศัยใจเราะ มีเหมือนกันหาได้อย่าไปวิ่งโน่นวิ่งนี่จนลำ่ากแม่บางคนเป็นโรคมะเร็ง น, นะถ้าหาได้ที่กายที่ใจนะจัดสรรกายใจให้มันดีๆเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ก, วกับการกินให้มีความเหมาะสมมันก็ช่วยได้นี่ยคือบุญอย่ามองข้ามกายใจของเราไปแม่ปฏิบัติธรรม มรรคผลในพรานก็อยู่กับกายกับใจเรา อ, อความรูดเึกตัวก็เป็นเรื่องของกายของใจถ้าเป็นบุญก็เป็นเรื่องของกายของใจใจมันดีใจมันงามถ้าเป็นมรรคเป็นผลก็รักความชั่วทําความดีอยู่ที่กายที่ใจไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่อโง่หลงมังง่ายจะเลี้ยวฉลาดออกจากทุกข์จนความทุกข์ไม่มีความหลงไม่มีต้องหาได้จากที่นี้ พิพัฒนาสุขโตจึงเพียรพยายามที่จะสอนกันในเรื่องนี้ให้สร้างความรู้สึกตัวไม่ต้องไปทโนถน้นอมไม่ต้องไปอเอ้าดูกันปล่อยเลยให้รู้จักช่วยตัวเองธรรมทานที่สุขโตเนี่ยให้โลดผลช่าหน่อยไม่เหมือนว่าจะต้องกราบกราบค้านคานกราบกราบไหว้ไห้เหมือนกับหลวงพ่อไปเคยเห็นธรรมฐานที่อื่น ตีสีเอาแล้วญาติโยมสลอนสลอนมาเอาข้าวต้มเอาคาประตูอาจารย์อกายอาจารย์เปิดประตูมาห้องแอร์ข้าวต้มเข้าไปแล้วนักปฏิบัติขอเทียบมากินข้าวต้มยังข้าวต้มหรอก็อยู่ในห้องแอร์นั่งอย่างนั้นมันไม่ใช่โลดผลมันบอบบางเกินไปต้อง ลอยๆสักหน่อยแม้แต่สอบอารมณ์ก็ไม่ใจคานเข้ามาหาอาจารย์เป็นแถวเข้ามามาสอบอารมณ์ไม่ใช่การสอบอารมณ์เก่งๆน่ะใครก็ไม่รู้เท่ากับเราไม่รู้มีใครรู้เท่ากับเราความผิดความถูกความผิดก็ต้องแก้เ อ, เองความถูกก็ต้องสร้างเอาเองถูกผิดไม่มีใครเห็นความทุกข์ความหลงอะไรต่างๆ ก็ต้องเห็นเราเองก็ต้องแก้เราเองสอนกายเราเองสอนบาจาเองสอนจิตใจเราเองมันจึงจะเกิดการเข้มแข็งไม่ใช่เสนาวัชิกาอาศัยแต่เสียงอื่นไม่ใช่การสอนกรรมฐานที่นี่เป็นการสอนให้พึ่งตนเองให้ช่วยตัวเองลุยๆสักหน่อยอย่าอ่อนแอให้ลูกเขาเองให้หลับเราเองให้ตื่นเราเองให้หลับเราเอง ให้ทายเอาเองให้รู้จักเวลาเอาเองแก้ไขตัวเองแล้วมันก็มีอยู่ในเรานนัด้วยเราก็สอนให้สัมผัสเอาเป็นมสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวก็เอากายเอาใจเราเนี่มาสร้างความรู้สึกตัวก็ประกระอบขึ้นมามันก็มีไม่ได้ไปหาที่ไหนเมื่อมันหลงก็ปเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ทําเอาเอง เ่อวันทุกข์ก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ก็ทําเอาเองเมื่อวันโกรธก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเราก็ทําเอาเองมันก็จะเก่งขึ้นมาแค่นี้เองเราเคยพิจิดกับความหลงเราเคยพิจิตกับความทุกข์เราเคยพิจิดกับความโกรธเราเคยพิจิดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นผลแห่งทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษอ่ะเราก็พยายาม <ส> <an> ปึกฝลตนเองไอ้สู้ๆชกหนอนมันจึงจะได้บทเรียนมันจึงจะมีประสบการณ์ไอ่ใช่ถนอมไอ้คนอื่นถนอมไอ้เราถนอมต้องเป็นอย่างนั่นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเหลียกร้องให้เกิดความสงบเหลียกร้องให้เกิดความรู้เหลียกร้องให้เกิดความสุขไอ้คนอื่นบริการความรู้ให้ให้คนอื่นบริการความสุขให้ ไอคนอื่นบริการความสงบให้มันไม่ค่อยจะได้แต่เราไม่เริ่มต้นที่ตัวเราความสงบ ก, ก็หาได้ในกายในใจของเราอยู่ในความไม่สงบเหมือนโบราณท่านว่าให้เ ย, เย็นอยู่ในเตาหลอมเหล็กให้เ ย, เย็นอยู่ในเตาหลอมเหล็กเ ย, เย็นชนิดอยู่กับเตาหลอมเหล็กไม่ใช่ยเย็นอยู่ในห้องแอร์นี่คือ ความจริงต้องเป็นอย่างนั้นการบรรลุธรรมก็เหมือนกันการที่จะได้บรรลุธรรมก็พ้นจากปัญหาต่างๆทุกครั้งที่บันตีปัญหาเวลามันทุกข์พ้นจากทุกข์เวลามันหลงพ้นจากหลงนั่นคือการบรรลุธรรมเวลามันโกรธพ้นจากความโกรธคือการบรรลุธรรมเวลามันร้อนพ้นจากความร้อนพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสุขมันทุกข์มันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อย มันวิตกกังวลเศร้าหมองจิตใจมันปูปูแฝบแฝบพ้นจากมันแล้วมันก็พ้นได้จริงเหล่านี่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเพื่อให้เราหลุดพ้นไม่ใช่มาลงโทษเราเราเอาตัวเรามาลงโทษตัวเราไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องหลุดพ้นการปฏิบัติธรรมต้องเอามาเป็นเครื่องหลุดพ้นความขี้เกลียดต้องหลุดพ้นจากความขี่เกลียจ ความเห็นแก่ตัวก็หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราถ้าถึงภาวะแห่งความหลุดพ้นจุดหมายปลายทางไม่ได้หนีไปไหนการมรุดทาไม่ได้หนีไปไหนอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับชีวิตของเราเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นเข้าถึงความไม่เป็นอะไรหมดภาระนะ มันมีให้เราเฉลยชีวิตเรามีให้เราเฉลยไม่ใช่มีให้เราจนเราอย่าว่าจนต่อกายต่อใจต่อชีวิตเราถ้าจนก็จนเรื่องอื่นเรื่องกายเรื่องใจเรื่องชีวิตของเรานะ่ไม่จนเด็ดขาดถ้าไม่จนต่อชีวิตเราแล้วมันจะมีอะไรที่เราจะต้องจนต่อไปไม่มีแล้วในโลกเนะี่ยไม่มีจริงๆนะ แล้วมันก็จะเข้มแข็งกัอี ก, กหลายหลายอย่างถ้าไม่จนต่อชีวิตเราจะเกิดความเข้มแข็งมากมายหลายอย่างในโลกเนี่ยเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยมันก็จึงถ้าจะพูดเรว่างสตาร์ทที่นี่กันการขนส่งต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ไปการจะขนย้ายไปโสมากโสมนต้องขนตรงนี้ขนตรงนี้กัน ไปให้พ้นแล้วมันก็ทําให้เราเห็นอยู่ห้องอยู่เป็นเราสร้างความรู้สึกตัวมันก็มีความหลงเพื่อให้เราสร้างความรู้สึกตัวสนับสนุนความหลงต่างๆที่สนับสนุนให้เราเกิดความรู้เอามาเป็นปุ๋ยเอามาเป็นฐานความทุกข์ต่างหากที่เราทําให้เราพ้นจากความทุกข์ละใจความทุกข์เพื่อทุกข์ความหลงเพื่อหลง ก็พูดไน อ, อยู่อย่างนี้แหละเพราะมันต้องไขขน แ, แจ่แจ้โซ่ ต, ตรงนี้มันจึงจะหลุดถ้าหลุดตรงนี้ไปก็ไปเอาเองได้ปะนะนะไปเองได้ถ้าพ้นตรงนี้ไปเราก็ไปเองได้แล้วก็จะเห็นช่องเห็นทางไปเรื่อยๆอย่างที่เราเป็นนักปฏิบัติ ใ, ใหม่ก็สร้างสติพอมีสติแล้วมันก็ใช้สติกลายเป็นธรรมวิทยะสอดส่องไปเอง สติสนับสนุนให้เกิดปัญญาให้เกิดญาณเกิดความเข้มแข็งทะลุทะลวงได้ง่ายแต่ถ้าฝึกใหม่ๆอย่าไปคิดอย่าไปหาเหตุหาผลไปสร้างเสียก่อนไปสร้างเสียก่อนให้มันมีเสียก่อนแต่มันมีแล้วเลยใช้แล้วนั่นแหละเห็นในสองไม่มีอะไรที่จะใช้สารพัด นึกเท่ากับความรู้สึกตัวภายในทรัพย์ภายในชีวิตของเราไม่มีทางจนจะได้มีแล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทรัพย์ภายนอกมันเป็นส า, ารพัดนึกไปใช้กับอะไรก็ได้ไปถึงมรรคถึงผลความรู้สึกตัว เริ่มต้นคือความรู้สืบตัวท่ามกลางคือความรูภสืบตัวที่สุดก็คือความรูภสืบตัวมันต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตเต่าของน้อยๆแต่ว่ามันขยายผลของมากๆแต่ว่ามันไม่ขยายผลกว่าเ อ, นนอ้มันคับแคบเข้าไปนี่ของน้อยๆมันขยายผลกลายเป็นอ่ ธรรมวิจยะกลายเป็นโยนิโสมนัสิการกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญากลายเป็นญาณกลายเป็นฌานกลายเป็นมากกลายเป็นผลกลายเป็นความชอบหลายๆอย่างพูดชอบทิศชอบทำชอบเกิดขยายผลเป็นผลกระทบออกไปวัตถุที่หนึ่งวัตถุที่สองวัตถุที่สาม ยิ่งพวกเราเป็นสังคมเป็นครอบเป็นป่วยยิ่งดีฌานมรุดทำหนัยิ่งดีธธรรนะงดเป็นมรดกทป็นแบงปันกันไปได้รับกันไปสรับทรัพย์สมบัติไม่มีใครเป็นใหญ่ได้ดอกทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่เราหาไว้ไม่มีใครเป็นใหญ่ย่อมแล้วทิ่งกันทั้งปวงอะไรแต่ว่าอริท ร, รัพย์แน่เป็นใหญ่ได้เป็นสมบัติของเรา เป็นใหญ่ได้รับใช้ได้แบ่งกันกันได้เอพุทธภูมิไปหมืนพระพุดง์แบ่งให้พวกเรามาถึงพุทธบริษัทจนถึงตัวันนี้เราก็อาศัยธรรมะวินยัยแล้วก็อยู่เป็นปึกเป็นแผดเป็นสมานสมัาธีเ ป, นเปนนน็นี่เป็นน้องกันนี่เป็นธรรมะวินัยต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่อาจารย์ใบสารไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่ใครทั้งหมดธรรมะวินัยต่างหาก ที่จะสนับสนุนให้พวกเราก็ ค, คิดเข้าไปกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นทองแผ่นเดียวกันเนี่ยมันขยายผลคุณธรรมที่เราศึกษาพระธรรมวไนัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงขยายผลมาถึงพวกเราเห็นกับหูกับตาเนี่ยแต่อยู่ที่ไหนก็ไปทั่วไปถึงทำวิ น, นัยไม่เหมือนสิ่งอื่นวัตถุอื่นนะเราจึง มาสร้างอริศัพพนินมากขึ้นเพื่อให้มันครบคุมไปทั้งโลกนะเราจะว่าจงไงต่อว่ามันเป็นสมบัติของเราเก่งๆแต่เราเย็นมันก็เย็นไปหลายอย่างแต่เราล่อนก็ล่อนไปหลายอย่างแต่เราไม่มีปัญหาปัญหาก็ไม่มีไปอีกหลายอย่างมีโอกาสที่จะช่วยกันมีโอกาสที่จะ ทำไม่เกิดผลกระทบในทางดีมากมายนะพระนันกาปฏิบัติธรรมนี้ขอให้เราได้ระตื่รือลน้นได้สร้างได้ประกอบให้มีได้ใช้บ้างถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็จนไปหลายอย่างแต่ลำบากถ้ามีแต่ความหลงกับกระทบกระเทือนมีแต่ทะเลาะวิวาท เหตุาเหตเปลี่ยนกันพยาบาดกันจะลุ้ยสุไลายใช่ทรัพย์สมบัติไม่คมไม่คมมีอะไรก็ใช่ไม่คมมีกายก็ใช่กายไม่เป็นมีใจก็ใช่ใจไม่เป็นใช่กายของตนให้เป็นโทษเป็นไปต่อคนอื่นสอื่นใช่จิตใช่ใจของตนให้เป็นโทษเป็นไปต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นนะ การปฏิบัติทำมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวแต่ว่ามันเป็นส่วนรวมถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขส่วนรวมถ้าเป็นความชอบธรรมก็เป็นความชอบธรรมส่วนรวมเกิดที่กายที่ใจถ้าเป็นทุกข์ที่กายที่ใจก็เป็นความทุกข์ส่วนรวมให้เกิดผลกระทบทุกวันนี้มันน่ากลัวแต่เราไมศึกษาชีวิตของเรา ในเจตสิ่งที่ทำให้ลงใีเจตสิ่งที่ทำให้ผิดให้พลาดให้เกิดโทษเกิดภยัยสูญเสียทรัพ ส, สมบัติล่มหายตายไปเยอะแยะไปหมดเลยเราจะมาสร้างกันเนา ะ, อะเอาได้บทเรียนอย่างดีแล้วไปมาสัสามเดือนเนี่ยลรวกว่าปรับตัวไม่ทันเลยไวที่สุดเลยทาอะไรก็ยังไม่เสร็จเลยทำไมเป็นเช่นนี้ เราเพียรพยายามถ่าสอนขนยังไม่ให้มีเวลาเพื่อนมิตรเท่าที่ควรที่เราจะต้องทำดีต่อกันยังอยู่อีกมากมายที่เราจะช่วยกันยังไม่ได้แตะต้องกันสักหน่อยเลยในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามความรู้สึกหลวงพ่อไม่ได้อิ่มเลยเอาพอแล้วทากับคนนั้นพอแล้วไม่มีสำปดใช่ไหมยังมีอีกเยอะ ต่ต้องทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือกันไม่เคยเบื่อนหน่ายแต่ถ้าเราใช่เชียร์แมนโอ้ยพอแล้วพอแล้วได้ทำแล้วพอแล้วไม่ใช่นะนะไอ้พวกเราที่มาอยู่ที่นี่ก็จะไปคิดว่าแค่นั้นเองไม่ใช่แต่ไปเราออื่มมาเป็นเครื่องกาหนดแค่นั้นเองปฏิบัติทำก็แค่นั้นเองอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้น ถ้าเรามองตัวเราแล้วนะชีวิตไต่มาสามเดือนเราทำอะไรบ้างเรามีสติไหมความเล่นความหลงเป็นอย่างไรความใส่ใจความเพียรเป็นอย่างไรเพียรแบบไหนเห็นลวงเห็นหลงเห็นรู้เราเกี่ยวข้องกับความหลงความรู้มลบมันเหลือไหมความหลงมันเหลือไหมความโกรธมันเหลือไหมความทุกข์มันเหลือไหมลบได้เท่าไหร่ความหนักมันวางลงเท่าไหร่ ความเบามันมีมากขึ้นเท่าไรจากคนแล้วก็คือบุญมันได้เท่าไหร่ดีใจขึ้นเท่าไหร่เสียใจโกรธร้อยเปยร์เซนไหมโกรธเท่าไหร่เอาวันนี้เป็นเครื่องวัดกันเราหลงเท่าไหรเราจะต้องเกระตื่รือรุ่นเอาไปเอามาโอ้มันอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับสถานที่โอ้มันอยู่กับเราถ้าเราหลงกับเรื่องของเราจะต้องแก้ สร <ơn. S 1> ้างความไม่หลงให้เกิดขึ้นถ้าเราทุกข์ก็เป็นเรื่องที่เราแก้สร้างความไม่ทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ผลเปลี่ยนเสมอไปได้ประสบการณ์ได้ช่วยตัวเองความหลงทำให้เราได้ช่วยตัวเองความทุกข์ทำให้เราได้มีโอกาสช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยไปในตัวเสร็จนะวันนี้ก็สมควรข้อศินแม่ศินจะได้สมาทานศินตามหนึ่งวัน นึงคืนตามที่กำหนดตามธรรมวินัยประกาศสิน <c oughs>